ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนื่องจากวันนี้ตัวเหตุการณ์มารงกันสองเรื่องและในท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วเพื่อจะให้งานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่ให้เสียกิจกรรมปกติของวันเสาร์ก็คงจะดำเนินไปโดยการบรรยายประสูตรในชั่วโมงหลัง ต่อจากนั้นท่านสาธุชนก็บำเพญ็ญจิตภาวนาไปได้ตามงานบรรจัรมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับเดือนวิสาขาบูชาจึงมีวันสำคัญในทางาศาสนาและทางบ้านเมืองอยู่มากจะนำจริยาของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ มาแสดงในทีน่นี้แต่เรียกว่ากุรุธรรมจริยาแต่แปลโดยความหมายก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติกุรุธรรมข้อนี้พระภูมีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงการบาเพ็ญเพียรของพระองค์ในในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏว่า ได้บำเพ็ญความดีที่สรุปรวมเป็นบารมีในวบในชาติต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้บรรลุประส ม, มาสัมพุทธญาณท่านได้รวบรวมข้อความเหล่านี้ไว้ในประรายปิฎกเล่มหนึ่งเรียกว่าจริยาปิฎกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามในจริยาปิฎก มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในราชสกุลในเมืองอินชปัตมุ่ยเจริญเติบโตขึ้นมาก็ได้ไปศึกษาศิลปะวิทยาในเมืองตักกศิลาเมื่อจบการศึกษาแล้ว ราชบิดาก็มอบปลายตําแหน่งให้เป็นอุปราชเมื่อบิดาที่วงคตแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้รับการเฉลิมพระนามว่าถนนชายราชาพระเจ้าถนนชายนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมประกอบด้วยธรรม ย, ยึดมั่นในหลักธรรมคือกุศลกรรมบท10ประการศีลหประการและราชสังฆะสประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลทั้งห้าประการนั้นพระองค์ได้ชักชวนบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระองค์มีพระชนีพระชายาผูรุ้ิดเป็นต้นรวมด้วยกันส1บอท่านทั้งหญิงนครโสเพณีให้ประพฤติปฏิบัติในกุรุธรรมทั้งห้าประการและเป็นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเอาจริงเอาจัง เรียกว่าแม่ขาดแม่ทะลุแม่ด่างแม่พร้อยกันทีเดียวองค์ทรงมีช้างทรงอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าอัญชนะหรืออัญชันเป็นช้างมงคลตำนองคล้ายๆกับปัจจัยนาคในเรื่องพระเวสสันดรต่อมาในแคว้นกลิงคราชได้เกิดภัยขึ้นมาสามประการ คือทุภิกขภัยฉาติกภัยและโรคภัยซึ่งหมายถึงความแห้งแล้งความอดจยากหิวโขยล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเบียดเลีย น, ป ร, ยนประชาชนภายในแคว้นกะลิงคราชก็ไปกราบทูลพระราชาถึงโรคภัยอันตรายเหล่านั้นพระราชก็พยายามตรวจสอบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพร้อมกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งสอย่าง ก็หาไม่เจอมาวิเคราะห์ตรวจ ส, สอบคุณธรรมคือความเป็นประาชาของพระองค์ว่ามีสวสดใดบกพร่องไปบ้างก็หาไม่เจอเช่นกันหลังจากได้หาวิธีแก้ไขด้วยบายต่างๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็ไม่สงบระงับไปในที่สุดพวกระหมาดก็กราบทูลว่าควรจะไปนำช้างอัญชนะของพระเจ้าถนนชัยมา เพราะเป็นช้างที่มีสิริมงคลแนวความคิดเหล่านี้ก็พออกับแนวความคิดในเรื่องของพระเวสสันดรคือจะนำช้างไปเพื่อเกิดผลตกเป็นตนแต่พระเจ้าแผ่นดินในแคว้นกลิงกราชก็เห็นว่าพระเจ้าถนนชายนั้นมีฤทธิ์มีอำนาจมากมีแสนญานุภาพที่ใหญ่โต ไม่อาจจะรบจริงเอาช้างมาได้ผู้มาก็กราบทูลว่าไม่จาเป็นจะต้องไปรบแจ้งจริงอะไรเพราะพระองค์มีอัธยาศัยเสียสละกว้างกว้างมากสามารถไปกราบทูลขอพระองค์ได้กราชาก็ส่งพรามณ์แปดคนไปทูลขอในขณะที่พระองค์เสด็จเรียบพระนครคราแรกก็ขอไม่ได้เพราะมีหน่วยคุ้มกันอยู่มากเข้าไม่ถึงก็ไปรออยู่ที่ประตูที่สอง ก็เข้าเฝ้าได้แล้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าทนนชัยทรงทราบพระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อเกิดภัยเดือดร้อนขึ้นแก่เพื่อนร่วมประเทศร่วมโลกเป็นภาราหน้าที่ของพระองค์จะต้องช่วยเหลือได้จากการช่วยเหลือนั้นผลกระทบต่อพระองค์จะเป็นอย่างไรก็ตามล้วก็ยินดีที่จะรับผลเหล่านั้น ในที่สุดก็ทรงพระราชทานช้างอัญชนะให้แก่พราหม์แคว้นกลิงก ร, ราชไปพวกข้าราชการผู้ใหญ่เมีหมาดเป็นต้นก็กราบทูลท้วงติงว่าทําไมจึงให้ช้างอัญชนะไปไม่ให้ช้างเหล่าอื่นพระช้างนี้เป็นสิริมงคลแต่พระองค์รับสั่งว่าคือจะเป็นช้างอะไรนั้นไม่สําคัญเมื่อเขาเห็นว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะให้ แต่ฉันเองนั้นยินดีจะให้แม้แต่ราชสมบัติและแม้มีคนต้องการศาีรษะก็จะให้เพื่อให้สามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่พอเอาก็จริงแล้วปรากฏว่าแคว้นกลิงค ร, ราชนำช้างไปก็ไม่เกิดผลอะไรคือฝนฟ้าก็ยังไม่ตกต้องตามระดูการ ภัยทั้งสามประการคือทุพิกระไพยและแก่เข้ากล้าดในนาเสียหายไปชาต่กระเพยคือหิวแล้วก็โรคกัะภยัยโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นก็ยังแก้ไม่หายก็พิจารณาทบทวนกันว่าแท้ที่จริงบ้านเมือง mm hmm. เมืองอินทปัตที่เกิดมีความสุขความสงบนั้นไม่ไม่ใช่เพราะช้ามันเพราะอนุภาพของพระเจ้าอัญชนะของของพระเจ้าถนนชายเองพร้อมด้วย บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสิบเอ็ดท่านในที่สุดก็นำช้างมาคืนแล้วมาขอคือตานองขอสีลจากพระพระราชาเองนั้นรับสั่งว่าพระองค์ไม่มั่นใจว่าจะรักษาสินกุรุธรรมทั้งห้าประการนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยระแวงอยู่ก็ขอให้ไปขอจากพระช น, นีดีกว่า รู้สึกว่าท่านจะรักษาได้ดีแต่ว่าในที่สุดพวกอาหมาตเหล่านั้นก็ขอให้พระองค์บอกกุรุธรรมทั้ง5ประการให้แล้วก็ไปขอต่อพระชนีต่อพระมาเหสีต่ออาหมาตต่อปุโรหิตต่อพรามจนถึงกับต่อยิงนครสเป็นนีคือรวมแล้วสิบอท่านด้วยกันแต่ว่ากุรุธรรมที่ขอนั้นก็มีอยู่เพียงห้าข้อเท่านั้นเอง ประชากนแนะนำว่าเมื่อนํากุรุธรรมไปแล้วให้แต่ละคนให้ความสําคัญแก่กุรุธรรมทั้งหประการแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามกุรุธรรมเหล่านั้นบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขขวายแควนกะลิงกราดเมื่อนําเรื่องเหล่านี้มเมื่อนํากุรุธรรมไปแล้วประชาชนเองก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเชิญชวนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นในสุดโรคภัยต่างๆก็ หายไปควายพระโพธิสัตว์คือพระเจ้ากรุงพระเจ้าทา น, นชยนั้นได้สวยราชสมบัติอยู่โดยปกติสุขและในที่สุดก็ตีบ่งโคตบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่ทรงสรุปเรื่องในตอนสุดท้ายว่าบุคคลที่ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระองค์ในสมัยนั้นทั้ง11คน ก็มาเกิดเป็นผู้ใกล้ชิดของพระองค์ทั้งหมดในปัจจุบันเจดประชนนีก็มาเกิดเป็นพระนางมายาอุโรหิตกม็มาเกิดเป็นพระกัจพระมหากัจสปะพราหมกกนะ็มาเกิดเป็นพระโมกขลานะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรนะพวกพระนางพิมพาเป็นต้นคือสรุปว่าเป็นคนใกล้ชิดกับพระองค์ทั้งหมดในสมัยนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนใกล้ชิดทั้งหมดในสมัยนี้ นี่ก็เป็นจริยาอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรโดยมุ่งเอาการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเสียสละอย่างสูงมากข้อที่น่าศึกษาตั้งแต่ตอนต้นมานั้นท่านทั้งหลายจะมองเห็นภาพอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มีความบริสุทธิ์จริงๆอะไรเป็นความดีความงามที่มีอยู่ก่อน เราก็ยอมรับว่านั่นคือความดีความงามและเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นสิ่งดีงามที่มีอยู่ก่อนเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาดังหลักธรรมที่พระเจ้าทานันชัยประพุติปฏิบัตินั้นก็นำมาสั่งสอนกันในพระพุทธศาสนามีกุศลกําบดสิประการกุรุธรรมหประการสังฆวัตถุสี่ประการซึ่ง เป็นความดีงามที่มีอยู่เป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงสัสรู้ก็ทรงรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็นำมาสั่งสอนตอนนั้นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกว่าเอตังบุทธานาสาสนังคือนี่เป็นคำสอนของพุทธะทั้งหลาย พุทธก็คือท่านผู้รู้ทั้งหลายในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาคือใครจะสอนได้ขนาดไหนก็ตามผู้รู้ชั้นสูงสุดก็แบ่งเป็นสามคือสัมมาสัมพุทธะผู้ศัตรูดีศัตรู้ชอบด้วยพระองค์เองปัจเจกพุทธะรู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองอรหันตพุทธะคือผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็มีพุทธะคือนัก ปาฏเออราอื่นอีกเป็นนั้นมากที่รู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมะหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยสภาพธรรมชาติธรรมดาแต่ก็สั่งสอนประพฤติปฏิบัติกันมาพระพุทธศาสนาก็ยอมรับคําสอนเหล่านั้นประเภทคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่สประเภทคือจากแหล่งมาสี่แหล่งได้แกนแหล่งแรกก็เป็นการปฏิวัติความเชื่อถือที่มีอยู่ในสมัยนั้น ก็เริ่มมาตั้งแต่พระธรรมเทศนาการแรกคือธรรมจั ก, กรวัตนสูตรที่ท่านจบลงด้วยตอนสุดท้ายท่านที่เคยฟังสวดธรรมจักรก็คงจะได้ยินว่าปฏิวัตตังอปฏิวัตติยังสมเนตนาวาพระมเนตนวาอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านบอกคือเป็นการปฏิวัติที่ใครจะปฏิวัติกลับอีกไม่ได้หมายถึงว่าความเชื่อถือที่ประพฤติปฏิบัติกันในสมัยนั้นที่เข้าใจเป็นความดีงามเป็นทางแห่งความหมดจด เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งความหมดเจือก็ปฏิเสธกรมไปเลยแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาอีกด้านหนึ่งมาใช่อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นการปฏิรูปในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขคําสอนที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งยังไม่สมบูรณ์ก็นํามาแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นมีผลในทางประพฤติปฏิบัติเพระคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แสดงเหตุอย่างเดียวแต่รับรองผลด้วย เหตุอะไร salon, กต็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระพุทธเจ้าจะรับรองผลไว้ด้วยดังนั้นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองที่เรียกว่าทรงสแสดงธรรมมีเหตุซึ่งผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามไปแล้วจะเห็นจริงได้ข้อที่สบอกว่าทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ประพฤติปฏิบัติจะรับประโยชน์ตามสมควรแ ก, ก่การประพฤติปฏิบัติเพราะนั่นข้อที่สองจึงเป็นการยืนยันเหตุข้อที่สจึงเป็นการยืนยันผล แต่ว่าการจะสอนใครในบิดีใดอย่างไรนั้นก็ทรงอาศัยแนวข้อที่หนึ่งที่ว่าทรงสั่งสอนเพื่อผู้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและมีพื้นฐานระดับสติปัญญาขีดความสามารถ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อุปนิสัยบารมีที่สามารถรู้สามารถเห็นได้่ดังนั้นคําสอนในแนวการปฏิรูปจึงเป็นการเพิ่มเติมตัดต่อส่วนมากมักจะเป็นการเพิ่มเติม คือยังบกพร่องอยู่ยังไม่มีความสมบูรณ์อีกแนวหนึ่งก็คือเรื่อง <c oughs> เรื่องที่ดีงามที่ท่านแสดงไว้แล้วพุทธศาสนาก็ยอมรับอย่างในกูรุ ธ, ธรรม5ประการนั้นแท้ที่จริงก็คือเรื่องของศีห้าประการศีห้าประการถ้าเรามองความเป็นมาตามหลักฐานแล้วเริ่มต้นทีเดียวมันก็เป็นกฎหมายตั้งแต่เริ่ม การเกาะกลุ่มกันอยู่ของประชาชนทั้งหลายศีลห้าก็เป็นกฎหมายที่มีมาตรการลงโทษไปจากบ้านเมืองเลยถ้ามีการกระทําผิดศีลห้าก็จะมีการลงโทษแต่ต่อมาก็เลื่อนมาเป็นธรรมะซึ่งก็หมายความว่าคนได้พัฒนาการขึ้นมาสูงพอที่จะสํานึกได้ด้วยตัวเองว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติมาถึงยุคนี้ก็กลายเป็นกุรุธรรมคือยุคของพระพุทสัจเนี่ก็กลายเป็นกุรุธรรม คือธมะที่ปฏิบัติกันในแคว้นกูรุคำว่าแคว้นกุรุนั้นออถ้าดูอินเดียปัจจุบันก็คือรัฐอุตตราประเทศที่อยู่ในกรุงเดนดีนะฮะที่เมืองหลวงของอินเดียในปัจจุบันสมัยโบราณก็เรียกว่าอินทปัดในบางยุคบางสมัยก็เรียกว่าอินเปัตดก็เป็นดินแดนที่เกิดของ เ, เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างในประวัติศาสตร์ของ ประเทศอินเดียแต่แม้แต่ในอดีตการ์ชึ่งไกลขึ้นไปกว่า น, นั้นในกรุธรรธรรมนั้นเป็นเพียงข้อเสนอแนะเราจะพาบว่าศีลนั้นไม่ใช่ข้อห้ามแต่เป็นข้อเสนอแนะโดยเฉพาะสมับชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงตอนต้นเพียงคําว่าปาณาติปาตาเวรมณีหรือปาณาติปาตาปฏิวิรตโตโหติเท่านั้นเอง ได้แก่เป็นผู้งดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหรือควรงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นข้อเสนอแนะไอ้ส่วนที่สิกขาประทางสมาธิยามีนั้นโยมใส่เอาเองนะฮะคือโยมใส่ขึ้นมาทีหลังแล้วข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเพื่อจะงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นความสมัครใจเองไม่มีใครก็บังคับหรอกรักษาไปแล้วก็ ขอๆก็แล้วก็รักษาไว้ให้ได้ก็แล้วกันอย่าไปทิ้งไปคว้างใชที่พระเจ้าทรงสอนนั้นจะไม่สอนในรูปบังคับไม่ใช้คำว่าอย่าแต่เป็นข้อเสนอแนะ่บอกก็พึงงดเว้นหรือควรงดเว้นเมื่อคนได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วเขาก็จะงดเว้นเพราะนั้นตอนพระเจ้าท่านนชยัยท่านบอก ท่านก็บอกว่าพึงงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตจะตกล่วงไปพึงงดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้พึงงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีพึงงดเว้นจากการพูดเท็จพึงงดเว้นจากการดื่มสุราและไมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทต้เนนอแนะคือจะทําหรือไม่ทําก็ไม่รู้แต่ตัวนี้คือตัวเหตุ ถ้าปฏิบัติตามเหตุนี้ก็รับรองผลจงผลคว้าอาจจะตกต้องตามระดูการแต่ถ้าหากว่าไม่ประกอบเหตุเราก็ไม่รับรองผลเพราะเรายืนยันในส่วนเหตุจึงยืนยันในส่วนผลเมื่อเขาประกอบเหตุไม่สมบูรณ์เราก็ไม่รับรองผลสมบูรณ์มันเหมือนกับการบอกการปรุงอาหารสูตรในการปรุงอาหารอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้เท่านี้ส่วนเนี่ยแล้วก็สายเหตุขึ้นไม่ไม่สมบูรณ์ เราก็ไม่รับรองรสชาติของอาหารนั้นว่าจะเป็นอย่างที่เราบอกเพราะเครื่องประกอบที่ให้มีรสชาติจากนั้นมันขาดไปแต่นั้นหลักของกุรูธรรมหรือศีลทั้งห้าประการจึงเป็นหลักสากลและถ้าเรามองในประวัติศาสตร์ของาศาสนาในโลกนี้แล้วไม่ว่ า, าศาสนาใดก็ตามจะต้องสอนเรื่องเหล่านี้เรื่องทั้งห้าประการนี้ถ้าปัญหาโลกมันก็มีปัญหาเหล่านี้ปัญหาเรื่องอัด ที่เราออกว่าอาจญากรรมบ้างปัญหาทางสังคมอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องทั้งทั้งหประการนี้ที่จริงระดับของโลกแล้วเรารณรง์ศีลหประการให้บรรลุเป้าก็พอแล้วนะโลกมันจะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขได้ผลข้าก็จะตกต้องตามระดูการโดยความเชื่อถือของคนสมัยนั้นแล้วว่าที่จริงแม้สมัยนี้ก็น่าจะเชื่อถือเอาไว้กรหนที่ใดก็ตามถ้า มีความรุนแรงบังเกิดขึ้นจิตใจของคนมากด้วยความโลภความอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนประทุษร้ายกันดินฟ้าอะไรต่ออะไรมันก็วิปริตแปรปรวนไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าประชาชนในถิตนั้นๆในประเทศนั้นๆอยู่ในศีลในธรรมอย่างที่เมืองอินทรปัตในแคว้นกุรุของพระเจ้าถนนชัยนั้นมีคนปฏิบัติเป็นหลักอยู่ตั้ง11คน คือปฏิบัติที่เคร่งครัดจริงๆแล้วแม้แต่ว่าเคร่งครัดอย่างนั้นยังรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของนักปรชัชตรึเป็นเหมือนธรรมชาติทั้งหลายคือไฟจะไม่อิ่มเชื้อหมาส ม, มุทรจะไม่อิ่มน้ํานักปราชจะต้องไม่อิ่มด้วยธรรมการปฏิบัติยังมีการปฏิบัติที่ประนีตกว่าเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติได้ขนาดนี้แต่ยังมีคนปฏิบัติได้ประนีตกว่าสูงกว่าดังนั้นพระเจ้ากรุง นนชัยจึงได้รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นพระทัยในกุรุธรรมของพระองค์งทางที่ปฏิบัติได้ดีขนาดนั้นแล้วตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอีกชั้นหนึ่งนั้นยังมีคนปฏิบัติได้ประณีตกว่าซึ่งก็เป็นการปฏิบัติในธรรมะนั่นเองในศีล น, นั่นเองเช่นอย่างศีลศีลข้อที่หนึ่งีข้อที่หนึ่งศีลห้าบางก็มีความ เข้มข้ น, นระดับหนึ่งพอศีล8ดมันก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอศีลสิ 10, มันก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพอศีลของพระมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ศีลศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองแต่ความประนีตมันจะเพิ่มขึ้นในจุดนั้นนั้นจนขนาดความคิดมุ่งร้ายต่อสัตว์อื่นก็ถือว่าเป็นบาปทางใจเป็นปทุสจิตทางใจนะเป็นอักเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความขุนมัวเศร้าหมองทางใจแต่ชั้นศีลห้าเองก็ไม่ปรับก็ไม่ปรับ พอถึงชั้นธรรมะเกิดเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดเป็นบาปขึ้นมามันประนิดขึ้นทีนี้กุศลกรรมบทสิบประการนั้นเ้วก็ผ่านธรรมะชุดนี้มาบ่อยๆทำไมจึงผ่านบ่อยๆก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อยๆเวลาแสดงธรรมะที่เป็นหลักนั้นจะจับเอาที่กุศลกรรมบทสิบหรืออกุศลกรรมบทสิเป็นฐานใหญ่ ในการแสดงแล้วก็ถือว่าเป็นมาศในการกำหนดสถานะของคนกับมนุษย์กุศลกับบดสิประการจึงเรียกว่ามนุษยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ผู้ศาสนานั้น เ, เรียกคนกำว่าบุคคลนะบุคคลหรือบุตรคลแปลว่าสัตว์ใดเคี้ยวกินของที่ไม่สะอาดเดตดดั น, นสัตว์นั้นชื่อว่าบุคคลคือท่านวิเคราะห์อย่างนั้น กระมองดูแล้วก็เป็นความจริงว่าบุคคลนั้นเป็นไปตามรูปวิเคราะห์สัตว์จริงๆเพราะในโลกมนุษย์นี้ไม่มีสัตว์โลกประเภทไหนที่กินได้อุตลุดเท่ากับคนคือคนได้กินกินได้ทั้งอาหารคนกินได้ทั้งอาหารสัตว์กินได้ทั้งอาหารที่สัตว์เขาไม่กินคือกินเหล็กกินหินกินถนนบนทางกินป่ากินภูเขาได้หมดเลยยักษ์มารยังกินไม่ได้แต่ว่าคนกินได้เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคล คือเกี่ยวกินของไม่สะอาดสารพัดพระพุทธศาสนาก็มีหลักในการยกระดับบุคคลขึ้นไปเป็นมนุษย์อย่างที่เคยเล่าให้ท่านฟังมาในประสูตร์ก่อนหลายวันมาแล้วว่าเวลาเจ้าหน้าเขาบวชนั้นตอนบวชเนรแล้วด้ทงไปพระครูสวดถามว่ามนุษย์โซสิเธอเป็นมนุษย์หรือเนร์ก็ตอบพระอามะพันเตครับผมเป็นมนุษย์นี่ก็หมายถึงมาฐานทางจิต กุศลกรรมบทสิประการจึงเป็นธรรมะคู่โลกคนเราพอรู้ได้นะฮะพอรู้ได้พอประพฤติปฏิบัติได้แต่ส่วนมากมักจะเสียที่ข้อสุดท้ายกุศลกรรมบทสิบประการก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้ไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพิร์เจอรเด๋วไหลกิเลสยังมีอยู่ ไม่ได้ละ ก, กิเลสเพราะระดับของโลกท่านั้นเองเป็นโล ก, กียธรรมคือธรรมะระดับโลกแต่เป็นการควบคุมความคิดของคนไม่ให้ลุกแก่อํานาจของกิเลสที่บางเกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงใช้เพียงว่าไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นและเห็นชอบตามทํานองครองธรรมแต่จุดสําคัญนั้นอยู่ที่ข้อ10บท่านเห็นว่าแท้แท้จริงเป็นการสะท้อนออกไปจากข้อสิบ คือการความเห็นชอบตามธํานองครองธรรมเมื่อค น, นเราเห็นชอบตามธํานองครองธรรมก็จะพูดอะไรก็พูดตามธรรมนองครองธรรมเมื่อทําอะไรก็จะทําไปตามธํานองครองธรรมธรรมะที่จะเกิดขึ้นจากความเห็นชอบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก้าวข้อข้างบนที่จริงมากกว่านั้นจนถึงกับบรรลุมรรคผลไปทีเดียวยู่ใหญ่ใจความจึงอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบ เพราะันท่านยังทั้งหลายจะเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านธรรมะเวลาพระพุทธเจ้าทรงให้ความหมายของคําว่ามนุษย์ที่ว่าแปลว่าสัตว์โลกซึ่งมีใจสูงสาตว์รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์การที่คนจะมีใจสูงก็ดีรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ดีนั้นต้องอาศัยความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเป็นฐานถ้ามีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบแล้วก็จะแยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ คนที่แยกได้อย่างนี้จะมีการประพฤติปฏิบัติเหนืออำนาจของอารมณ์ได้เป็นนั้นมากจนถึงเหนืออย่างแท้จริงแล้วก็กลายเป็นจิตใจที่สูงขึ้นไปโดยลำดับแสดงเห็นถึงพัฒนาการคือความสูงขึ้นของจิตใจที่อาศัยสัมมาทิธฐิเป็นพื้นฐานาหลักประการต่อไปที่พระเจ้าทานนชัยถือประพฤติปฏิบัตินั้น ท่านบอกว่าสังขาะวัตถุสังขาะวัตถุมีอยู่สองชุดจึงก็คงจะปฏิบัติทั้งสองชุดในชุดแรกเป็นข้อปฏิบัติสาธารณะจึงก็หมายความว่าคนทั่วไปนั้นควรจะประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายคนนึกออกสมัยหนึ่งหนังสือเดนคาเนกีวิธีชนะมิตรได้จูงใจคนแพร่หลายในสังคมไทยมากที่แปลโดยอาสาขอจิตเมต คนซื้อกันเยอะเลยในทางเมืองไทยเราเราก็โณนรงณ์ให้เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนกับเขาหลังเราวิธีชนะมิตรจูงใจคนนั้นมีอยู่แล้วในหนังสือนอกกว่าั้นเองไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยนั่นก็คือหลักสังหะวัตถุสี่ประการปัญเอกปินตออกมาเรียบเรียงเป็นหนังสือว่าพุทธวิธีครองใจคนพวกเราเคยเอาไปอภิปรายกันที่ โรงพยาบาลสงใช้คำที่โรแมนติกดีได้เกินบอกศิละปะในการครองรักคนก็แหกันไปสงสัยว่าพระมหาระแบบจะพูดเรื่องศิละปะในการครองรักได้ยังไงมันเป็นพระมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาขอดูหน้าเป็นหมอมเจ้าจะขอดูหน้าท่านมหาระแบบหน่อยท่านจะมาพูดยังไงท่านไม่เคยครองรักนะพูดศิละปะในการครองรักบอ ก, กว่าเดี๋ยวก็โยอมไปพูดกันไปฟังกันแรกกัน นี้ก็คือหลักของสังขะวัตุนั่นเองแต่คนเราจะติดในชื่อของคาพูดนะครเราเราไม่ได้นึกว่าโดยโดยเนื้อหาคือคือคนจะติดในรูปแบบแทนที่จะติดในเนื้อหาถ้าเราเข้าใจตัวตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มีการเผยแพร่มีการแสดงคุยกัน มากมายกายกองยังมีการมาสัมมนาอะไรกันวันก่อนพวกพรังมาเปิดสัมมนากันที่จุศกิจกธนาคารกรุงเทพทั้งสาวันนะคนไทยเสียเงินเสียทองไปฟังรู้สึกตื่นเต้นชื่นชมกันเหลือเกินพระเราฟังแล้วไม่มีอะไรคือสูตรของอริยสตัตว์สนี่สูตรอริยสตัตว์สี่ที่ใช้ภาษาพรังเรียกและไม่ใช้บรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยเราจําหน้าตาไม่ได้นี่แสดงว่าเราติดในรูปแบบคือถ้าอริยสตัตต้องเรียกวรรทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าพอม่อย่างนั้นเราหลงทางแล้ว เพราะงั้นคนเราจึงต้องซื้อสินค้าปลอมก็ได้บ่อยๆเพราะเขาเปลี่ยนรูปแบบคือทำรูปแบบให้มีสีสันรปรุงแต่งให้ให้หน่ารับประทานให้เราเกิดความสนใจทั้งๆที่โดยเนื้อหาแล้วมันก็เป็นพวกเดียวกันนั่นเองดังนั้นหลักสังกาวัตถุระดับพื้นฐานคือหมายความว่า เป็นหลักที่ยึดครองเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของบุคคลจากแต่สองคนขึ้นไปจนถึงระดับของสังคมและแม้แต่ระหว่างประเทศต่อประเทศก็เริ่มต้นที่การให้คือการสงเคราะห์กันซึ่งการให้นั้นก็มีสองแนวแนวหนึ่งเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์เกิดขึ้นจากเมตตากรุณาแนวหนึ่งเกิดจากความสำนึกคุณเห็นคุณงามความดีของบุคคลของสถาบันบุคคลของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ให้ เยนให้เสื้อผ้าอาหารแกมารดาบิดานั้นไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์แต่เป็นการบูชาคุณความดีของท่านให้ของแก่คนอยากจนานาถาเป็นต้นเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ไม่ใช่เป็นการตอบแทนบุญคุณเขาตัวปัจจัยให้เกิดนั้นก็เกิดกันคนละทางแต่ก็มีผลในการขาจัด ก, กิเลสออกไปจากจิตใจด้วยกันประการที่สองนั้นออกจะแปลกนะฮะคือในเมืองไทยในใช้คําว่า ไม่ใช่ในเมืองไทยในสังคมเราคือมันมาอย่างไงไม่รู้ฮะในบาลีนี่ท่านใช้คําว่าดานัญจะเปยวัตจันจะอัตจริยาจียาอิทะคือท่านใช้คําว่าเปยวัตชัได้เกิดการพูดวาจาที่ไม่มีโทษแต่เราพูดกันในเมืองไม่ใช่คือคือในสังคมทั่วทั่วไปว่าปิยะวาจาคือวาจาเป็นทิรัก โดยความหมายในการปฏิบัติแล้วมันก็สอดครองประสมสัมพันธ์กันพอสมควรแต่ถ้ามองในมุมของการประพฤติปฏิบัติแล้ววาจาที่ไม่มีโทษนั้นครอบคลุมมากกว่ากือเห็นภาพได้มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเริ่มได้มันก็เดินได้ด้วยกันปิยวาจาก็คือวาจาอันเป็นที่รักซึ่งหมายความว่าเมื่อเราพูดไปแล้วคนฟังได้ยินได้ฟังเข้าก็เกิดความประทับใจ ชื่นชมยินดีที่ได้ฟังซึ่งลักษณะของวาจาเช่นนี้แน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องเป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานแต่ก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ค่อยได้เพราะวาจาอ่อนหวานนั้นบางทีบางก็เข้ากติไทยที่พูดว่าปากขวานก้นเปรี้ยวก็มีมือถือสาปากถือศีลก็มีเพราะฉะนั้นท่านต้องให้เกิดจากเมตตาวาจาคือวาจาที่พูดมานั้นพูดพูดออกไปนั้นพูด้วดยเมตตา มุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้นซึ่งอาจจะอยากไปก็ได้แต่ว่าใจของบุคคล น, นั้นมีความอ่อนโจนมุ่งเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่บุคคลเหล่านั้นก็เข้าสูตรในที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงประเภทของวาจาที่พระองค์จะรับสั่งไว้สองสูตรคือหเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจงสองเป็นเรื่องดีสา ม, มีประโยชน์4ถูกกาลห้าคนฟังชอบใจ สูตรที่สองก็เรื่องหนึ่งเรื่องจริงสองเรื่องดีสา ม, มีประโยชน์4ี่ถูกการห้าคนฟังไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าเกิดจากไม่ตากรุณาภายในใจเราแม้คนวังจะไม่ชอบใจก็พูดได้เพราะมุ่งอนุเคราะห์แก่บุคคลเหล่านั้นแลวต่อไปก็คือหลักของอัตจารยาคือการบำเพ็ญสิ่งที่ประโยชน์เป็นประโยชน์บาเพ็ญสิ่งที่ ที่เป็นประโยชน์นั้นก็คือเป็นการเกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นไม่ทําอะไรในการในลักษณะล้างพรางทําทลายตัดรอนประโยชน์ของบุคคลอื่นแต่จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นกับสมานัตตาข้อสุดท้ายคือวางตัวสม่ําเสมอวางตัวดีเหมาะสมแก่ฐานะที่ตัวเป็นไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงไม่ ดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นหรือสรุปว่าเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าวางตนจนเสียสถานะคือตนเป็นอย่างไรก็วางตนเหมาะสมแก่ฐานะที่ตนเป็นนี้เป็นสังขา ว, วัตถุ4ประการที่สมบุบุคคลทั่วไปสังขา ว, วัตถุอีก4ประการนั้นเป็นหลักของผู้บริหารโดยตรงที่จะมีการเกี่ยวข้องกับคนอื่น เพราที่จริงจุดย่อยที่สุดในทางบริหารนั้นที่เราเรียกว่าราชาเนี่ยราชามันออกจะเป็นปัญหาเพราะแท้ทีจริงแล้วคําว่าราชานั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นแต่หมายถึงผู้นําผู้บริหารทุกระดับอยู่ในฐานะเป็นราชาก็จะออต้องสร้างความชื่นชมยินดีการยอมรับนับถือให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองหรือภาวะผู้นํานั่นเองธรรมะของผู้นํานั่นเอง แต่ทีนี้ของเรานั้นมันก็เกิดความสับสนว่าอันนั้นเป็นธรรมะของพระราชาก็ถวายในหลวงท่านทั้งหมดเลยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ธรรมะถวายไว้ในวงังและเอาอานาจออกมาจากนอกวงังเลยก็ยุ่งกันจนมาถึงถึงปัจจุบันเพราะคนว่าคนที่ใช้อำนาจนั้นไม่ได้มีหลักธรรมะแต่คนที่มีธรรมะกลับไม่ได้ใช้อำนาจ เลยก็มีการใช้อํานาจเป็นธรรมแทนที่จะใช้ธรรมเป็นอํานาจผลมันก็เกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนในบางครั้งบางคราวขึ้นมาแต่ถ้าเอาธรรมะไปคุมอํานาจไว้การใช้อํานาจแต่ละคราวจะเป็นการใช้อํานาจตามธรรมหรืออํานาจโดยธรรมสิ่งที่เราเรียกว่ายุติธรรมก็จะบังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากความสับสนในด้านความคิดความเข้าใจของคนเราถือว่าเป็นธรรมะของพระราชาเลยก็ แม้อามาประพฤติปฏิบัติอาจจะถือว่าเป็นการละหลับละลวงที่ที่จริงก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่กล้าปฏิบัติเพราะดูแล้วปฏิบัติก็ทำให้ตัวเองสูญเสียผลประโยชน์ไปหลักราชสังหะหรือหลักของผู้นำสข้อนั้นก็คือประการแรกเรียกว่าปริสเมธะ คือฉลาดในการเลือกคนเข้าทำงานในการใช้คนในการดูคนในการมอบหมายคนเข้าไปทำงานรับผิดชอบในเรื่องต่างๆเรียกว่าดูคนเป็นนะดูคนเป็นคนบางคนนั้นใช้คนไม่ถูกกับงานก็คล้ายๆกับจะใช้หมอฟันให้ไปผ่าตัดนะตอะไรตนนี้คงจะยุ่งกันหน้าดูเหมือนกันแต่ว่าผู้ฉลาดจะต้องสามารถในการใช้คน ดูคนวิเคราะห์คนดูความรู้ความสามารถความถนัดความพอใจความสนใจของแกในลักษณะอย่างไรแล้วก็ใช้คนไปในแนวนั้นการเลือกคนในแนวนี้จะขจัดอจะขจัดความลำเอียงออกไปจากจิตใจของผู้ใช้เพราะว่าเราพิจารณาที่ความรู้ความสามารถความมีฝีมือผลงานของบุคคลเหล่านั้นและจะมอบหมายให้ซึ่งอาจจะเป็นพวกเราก็ได้มันจะพวกเราก็ได ประการที่2ก็คือหลักที่เราเรียกว่าสัสเมตะได้แก่ส่งเสริมทํานุบํารุงงานอาชีพของประชาชนไม่ว่าลักษณะโครงสร้างทางสังคมจะกระจายออกไปเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมเบาก็ตามอ่ะอุตสาหกรรมหนักเบาก็ตามหรือว่าเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การอะไรทางรัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือผู้บริหารต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการเหล่านั้นมีเงื่อนไขมีวิธีในการช่วยเหลื อ, อยังไงก็ต้อง ข้าสนับสนุนส่งเสริมอาจจะทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมแต่เราจะเห็นว่าอย่างในบ้านในเมืองเราถ้าอาศัยการสงเคราะห์ในแนวนี้อย่างภาคอีสานนี่ที่จรงิงก็ไม่ต้องงะสร้างงานในชนบทอะไรเราหาน้ําให้อย่างเดียวพอแล้วหาน้ํหาหาถนนให้เขาจัดการชนประทานให้ดีมันก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นี่ก็คือหลักของการสงเคราะห์งานอาชีพของราษฎรแต่เป็นการสงเคราะห์ในแนวที่ให้เขา ตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานท่านจึงเน้นข้อที่3เอาไว้ว่าสัมมาปาสะเป็นลักษณะของงานสังคมสงเคราะห์เป็นบ่วงนะเป็นบ่วงที่คล้องใจคนคือไม่มีช่องว่างระหว่างระหว่างผู้บริหารกับกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนหรือระหว่างผู้ปกครองกับกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราจะพบว่าในส่วนใดก็ตามถ้าไม่มีช่องว่าง การมากเกินไปเบื้องบนไม่เขินห่างจากเบื้องต่มเกินไปความเป็นอันหนึ่งอันเดียวการร่วมทุกร่วมสุขการตีแผ่ความจริงใจต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นหลักล่ง น, นี้ก็คืองานในแนวที่เป็นการสังคมสงเคราะห์แต่เข้าถึงปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนั่นก็หมายความว่าเราสร้างบ่วงขึ้นครองจิตใจประชาชนเอาไว้ให้เขารู้สึกว่า ก็ที่จริงไม่ใช่ประชาชนนักหน่วยย่อยที่สุดไปอ่ะตลอดถึงประชาชนภายในประเทศทั้งมวลโด ย, อ า, าย อ, าอาศัยหลักการสงเคราะห์แต่ว่าการสงเคราะห์ในแนวนี้ในแนวโบราณนั้นเราจะพบว่ า, าถ้าไม่ได้สงเคราะห์ลอยๆลงไปถ้าระดับนี้นะฮะระดับสังหะนี้ไม่จะระดับสังหะณน น, นแต่ว่า จะสงเคราะห์ในแนวที่ที่ให้เขาช่วยตัวเองได้คือมีระยะเขาตั้งตัวได้เรียกว่าระยะปลอดหนี้อยู่ระยะหนึ่งเพื่อเขาตั้งตั้งตัวได้เสร็จแล้วก็ทยอยผ่อนสงให้แกรัฐเพื่อรัฐจะได้เอาเงินจํานวนนี้นนไปช่วยคนอื่นต่อไปนี่ก็เป็นวิธีสังคมสงเคราะห์ในแนวที่ให้คนเรายืนหยัดด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องคอยแจกพระคภมอยู่ทุกปีอย่างที่เราแจกกันอยู่ทุกวัน แจกกันเสร็จแล้วพวกพะผมปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ขาดเลยก็รับแจกใหม่ก็ไปขายซื้อล่ากินสนุกไปเลยเราก็ขนไปแจกกันต่อไปอองานประการต่อไปก็คือวาชาเปยยะที่แปลว่าดืออ่มน้ำคาคือมีวาจาถ้อยคาทีดด่ดูดดื่มงานนี้ก็คืองานหลักประชาสัมพันธ์นั่นเองที่ปัจจุบันออกมาในแนวเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์คือผสมผสานกัน คืองานประชาสัมพันธ์คนเราที่จริงพูดจากันให้รู้เรื่องมันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ที่มันเกิดมีปัญหาคับข้องใจแบ่งเป็นเราเป็นเขากันมากมายก็คือเพราะเราไม่พยายามที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดจาชี้แจงหาข้อยุติที่สมเหตุสมผลกันถ้าใช้งานประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์คืออะไรเช่นว่าภายในครอบครัวเราไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกภายในครอบครัวเนี่ย โดยใช้หลักว่าจะเปิดยะพูดจาในลักษณะดูดดื่มน้ำำําคําพ่อแม่ก็พูดจากันด้วยคำไพเราะ อ, อ่อนหวานจะพูดจากับลูกก็พูดด้วยความไพเราะ อ, อ่อนหวานาลูกพูดกับพ่อแม่ก็พูดด้วยคำไพเราะ อ, อ่อนหวา น, นก็เสียงน้าฟังภายในบ้านแล้วเวลามีปัญหาอะไรเราก็บอกกล่าวชี้แจงตีแผ่ให้เกิดความเข้าใจกันเชนว่าลูกแกเที่ยวมากเกินไปเรามีปัญหาเรื่องเงินเราก็บอกแกให้เข้าใจอธิบายให้เข้าใจชี้แจงให้แกเข้าใจ ให้แกยอมรับรู้ปัญหาต่างๆไม่จะกลัวลูกจะเสียใจน้อยใจอุตส่าห์กู้นี่ยืมสินเข้ามาเพื่อลูกได้เที่ยวไปเต้นดิสโก้กับเขากลัวจะน้อยหน้าคนอื่นอย่างนี้ก็จบบริหารครอบครัวไม่ได้ก็ไม่พูดถึงบริหารข้างบนขึ้นไปดังนั้นไอ้หลักเหล่านี้จึงเป็นหลักที่เริ่มจากสถาบันครอบครัวท่านท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเช่นว่าพ่อแม่เนี่ยเราจะมอบหมายงานให้ลูกทำจะมอบหมายจะให้ลูกศึกษาเล่าเรียน ในสาขาวิชาอะไรแตะอะไงต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าแกเนี่ยแกมีความถนัดแกมีความพอใจแกมีความสนใจในเรื่องอะไรและแกแกจะเอาดีในด้านใดไ ด, ได้ไม่ใช่ว่าเราจะขีดวงเราจะเลือกเอาด้วยลําพังตัวเราเองแล้วไม่รู้แหะแกเรียนหรือไม่เรียนแกชอบหรือไม่ชอบฉันชอบของฉันเนี่ยก็มันก็เกิดลักษณะตลอดถึงการจะแต่งองแต่งงานเราจะเห็นว่ามันก็เดินมาด้วยในลักษณะปุริสเมตตาคือฉลาดในการเลือกคนมีการเทียบเคียงกันมาตลอด แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยที่เริงก็เพิ่มความเข้มข้นของธรรมะังกล่าวแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานซึ่งพระเจ้าถนนชัยท่านรักษาเอาไว้ดูแล้วก็คล้ายๆจะหลายข้อนะฮะตั้งสมชุดด้วยกันคือชุดของกุศลกรรมบท10ประการกุรุธรรมหประการและจารสังกหะ4ประการดูแล้วก็คล้ายจะมากตั้ง19ข้อด้วยกัน แท้จริงขอเพียงข้อเดียที่ว่ามาแล้วขอข้อแระข้อที่10ในกุศลกบปคือสมาธิฏฐิปัญญาเน็นชอบแล้วจะกระจายตัวเองไปได้ตลอดไม่ว่าจำนวนธรรมะจะมากมายยางไงก็ตามเพราะอะไรเพราะสมาธิฏฐินั้นเป็นพื้นฐานแห่งกุศลแห่งกุศ ล, ละธรรมทั้งหลายมันเหมือนกับการอาทิตขึ้นของออการอุทยขึ้นของพระ อ, อาทิตย์มันก็เริ่มที่แสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อน แล้ในที่สุดโลกก็สว่างทั้งหมดสั้นดใดจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลได้จุดประทีปคือสัมมาทิฐิขึ้นภายในใจและสัมมาทิฐินั้นก็จะซองแสงสว่างสวัยขึ้นมาขาจัดมืดบอดในจุดต่างๆออกไปจากจิตใจของบุคคลได้โดยลําดับประการต่อไปก็คือเป็นการสะท้อนถึงความมีหรือไม่มีนะฮะความมีหรือไม่มีคุณธรรม เราจะเห็นว่าช้างอัญชนะหรือช้างอัญชันเนี่ยสีบดอกอัญชันรูปร่างเป็นไงดอกอัญชันเออเป็นช้างมงคลเนีเดียวกับช้างปัจจัยนาคลักษณะพื้นฐานคนระดับพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรตอนหลังนะฮะเรื่องนี้ตอนก่อนคือก่อนจากนั้นแสดงว่ายังห่างไกลเพราะเรื่องพระเวสสันดรหลังจากพระเวสสันดรก็เกิดดุสิตจากดุสิตก็มาเป็นสิทธัตถะน่ พระเวสสันดรนั้นยอมทุกอย่างแต่เราจะเห็นว่าอัตยาสายระดับพระโพธิสัตว์ท่านเอาทุกอย่างขอมีเป้าหมายอย่างเดียวคือกา ร, รบรรลุพระสัมมาสัมโพธิยานเท่านั้นเพราะนันขอขอช้างท่านก็ให้ช้างแล้วแม้จะขอแว่นแหวนก็ให้แว่นแหวนจะขอศีรษะซึ่งขอคงจะไม่ขอไม่รู้จะเอาไปทําอะไรท่านก็ยินดีที่จะให้ ขอเพียงแต่ว่าการกระทำทั้งหมดของท่านนั้นให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อบรรลุทิพผ่านท่านันเองสมัยนั้นการสื่อสารการคมนาคมไม่สะดวกอย่างในสมัยปัจจุบันแต่เกียรติคุณความดีของพระเจ้าถานนชัยนั้นได้แผ่กระจายไปจนถึงเมืองแคว้นกลเหรี่งขาราชแต่กิตติศัพท์เหล่านั้นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลาย เรามองดูถึงแนวความคิดของคนนะฮะว่าพระเจ้ากรุงแคว้นกะลิงกะราชนั้นก็คิดว่าถ้าจะเอาอะไรก็ต้องรบเอาแต่คงจะรบไม่ได้ความคิดยังมีลักษณะหยาบกระด้างแต่ว่าพระเจ้ากรุงนพระเจ้าถนนชายนั้นอัตยาสายปรินีส ง, งบกว่ามากในที่สุดเมื่อขอไปแล้ว เราจะมองมองดูในจุดของแคว้นกะลิงกา ร, ราชอีกจุดหนึ่งนะฮะเจนว่าพระราชาสมัยก่อนเนี่ยผู้บริหารในในในใ น, ในชาดกทางศาสนาหลักที่เขาถือเป็นเรื่องสำคัญเวลาเกิดความวิปริตขึ้นภายในสังคมนั้นเขาไม่ดูจากข้างนอกไม่ดูปัจจัยข้างนอก ไม่ใช่ว่าพอปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีเราโยนแมะไปว่าเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ดีเนื่องจากภาวะการเงินอะไรต่ออะไรกัเรียกตะเวกไปก็โยนออกนอกโลกไปเลยคือออกนอกประเทศไปเลยเพื่อจะรักษาตัวไว้ให้ได้แต่ประชาชนสมัยก่อนเราจะพบว่าสมัยพุทธกาลก็ดีหรือสมัยที่เล่าไว้ในชาดกเนี่ยท่านจะวิเคราะห์ที่ตัวท่านตัวสอบดูตัวธาตุมันมีบกพร่องอะไรฝนฟ้าจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองจึงวิปริตแปรปรวนเกิดทั้งทุบทุบปิกกระพายฉาตะกระพายโรคกระพายทุบปิกกระพายก็คือไอ้ข้าวยากหมากแพงนะฮะข้ายากหมากแพงพรข้าวยากหมากแพงมันก็หิวโหวยเป็นฉาตกะกะพาพรหิวโหวยมากมันก็เป็นโรคมันเป็นวงจรวัฏจักรที่ปัญหาสังคมเราในบ้านในเมืองที่ก็พูดกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่3อย่าง ส, ส, าสามสีอย่างคือไม่รู้มีมีไม่รู้มีความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บมีลูกมาก ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาถาวรของมนุษย์ไอ้รูปมากนั้นไม่แน่นะนายกมาเทก็เตรียมที่จะเพิ่มจํานวนประชากรเมืองไทยเรากําลังลดจํานวนประชากรโรงเรียนต่างจังหวัดบางแห่งต้องหยุดไม่มีเด็กไปเรียนสงสัยต่อไปจะไม่มีคนมาบทเหนียญยุ่งเหมือนกันน่พราะงั้นก็คิดดูปัญหาเหล่านี้เราอาจจะแก้ได้ในจุดหนึ่งแต่อาจจะไปเสียขึ้นในจุดอื่นก็ได้ ปัญหาที่ที่เราจะต้องเน้นก็คือการเพิ่มคุณภาพของประชากรคือจะมากหรือน้อยก็ตามต้องเร่งรัดในด้านคุณภาพประชากรให้สูงขึ้นทีนี้พระเจ้ากรุงแพร์กาลิงก ร, ราชนั้นท่านมองดูก็ไม่เห็นความบกพร่องเมือม่อมาเห็นความบกพร่องของตัวเองแี่ก่อนคือดูที่ตัวเองแต่ก่อนไม่เห็นจึงไปหาข้างนอกไม่ใช่ว่าไปดูจากข้างนอกแล้วก็โยนลูกออกสนามไปเลยไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้น ในสุดก็พยายามหาเหตุหาปัจจัยจนไปขอช้างอัญชนาเข้ามาอย่างที่บ้านแล้วอาการเสียสละของพระเจ้าถนนชัยนั้นเป็นการเสียสละที่สูงยิ่งโดยท่านมีเป้าหมายสูงสุดอย่าลืมนะฮะว่าการกระทำของคนถ้าต้องการผลสูงจะต้องใช้ต้องใช้เสียสละสูงเหมือนกับการสร้างตึกสูงนะฮะต้องร่างร้านก็สูงราคาก็สูงอะไรก็สูงตามขึ้นไปหมด การปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าต้องการผลสูงความเพียรพยายามต้องสูงไม่ใช่ความเพียรพยายามนิดหน่อยนั่งกรรมาฐาน30มนาทีนั่งบนไม่เห็นอะไรเลยนั่ง3ามนาทีใจไม่สงบก็ตัวเอ้ยตั้งอีกย3บนาที่บชั่วโมงครึ่งเนี่ยปล่อยให้ใจเลือดลอยไปในอารมณ์ต่างๆ30มนาทีจะสงบได้ยังไงก็โดยไปได้มองในแนวนั้นเรจะเห็นว่าการปฏิบัติ สิ่งต่างๆนั้นถ้าเราไม่เป้าหมายสูงจะต้องเร่งไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความเพียรพยายามที่สูงกว่าปกติก็เหมือนกับเหมือนกับธรรมดานะฮะคือว่าจะเดินทางไกลก็ต้องมีสเสบียงมีน้ามันมีอะไรอะไรอุปกรณ์ในการเดินทางไกลามากแต่เดินทางใกล้ๆ ก, ก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อข้างหน้าก็ได้อะไรอะไรเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติทั้งหมดอะเรามองธรรมะให้เป็นกฎธรรมชาติหมดเลย เรื่องปกติธรรมดาที่มันออกมาในรูปธรรมหรือออกมาในนามธรรมแต่นั้นเองออกมาเป็นนามนธรรมมันก็กลายเป็นองค์ธรรมะต่างๆที่พระเจ้าแสดงเอาไว้แต่จริงถ้าเรามองออกมาเป็นรูปธรรมก็คือพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดได้แต่จะเป็นกุศลหรืออกุศล ก, ก็ค่อยว่ากันไปแต่ละจุดเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วคนประพฤติปฏิบัติกันแล้วส่วนใดที่บกพร่องไปรูปธรสนาก็สอนเสริมขึ้นมาในจุดนั้น อยู่ในจุดที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอะไรที่มันลดมากไปคือเรื่องไม่ดีมันลดมากไปก็ลดลดความรุนแรงของสิ่งเหล่านั้นลงแท้จริงก็เป็นพฤติกรรมที่คนกระทากันอยู่แล้วนั่นเองในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่กระทำหรอกแม้แต่คนที่บอกว่าไม่มีศาสนาหรือไม่ไม่เคยเข้าวัดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมะส่วนจะเป็นกุศลอกุศลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บางนั่นก็คืออาการของธรรมะที่ออกมาในเชิงพฤติกรรมแล้วเป็นรูปธรรมไปแล้วมีผลกระทบกันแล้วในขณะนั้นๆ ดังนั้นพระเจ้าทนนชัยเราจะเห็นว่าพอเอาก็จริงแล้วท่านท่านสะท้อนความมีธรรมะได้หมดเลยขอนั่นก็หายขอนี้ก็หายเพราะอะไรเพราะาจิตใจของบุคคลอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเมื่อปริมาณของธรรมะสูงขึ้นนั้นจะมีความกรุณามากขึ้นถ้าคนเรายังมีความเห็นแก่ตัวยังต้องการเอารัดเอาเปรียบยังต้องการแก่งแย่งแล้วไม่ต้องคุยเลยว่าปฏิบัติกรรมฐานมีธรรมะอะไรไม่มี กมะยังไม่มีมันออกมาไม่ได้ของมีมันต้องออกมาได้ออกมาในเชิงพฤติกรรมได้พระเจ้าถนนชัยนั้นท่านมีแล้วท่านก็ออกมาได้ออกมาในทางเสียสละก็เป็นบารมีในทางรูปของทานบารมีรูปของอธิฐานบารมีรูปของสัจจะบารมีเมตตาบารมีต่เป็นเป็นเป็นปัญญาบารมีเป็นได้ขมะบารมีเป็นศีลบารมีอะไรแต่ก็ออกมาเป็นรูปของบารมีได้ในช่วงต่อไปก็คือว่า จากการนำช้างไปเราจะพบว่าบางทีก็เหมือนกับคนอะไรที่เมืองจ น, นเมืองอะไรที่เขามีข่าวฝนไม่ตกก็จะมีอะไรแล้วก็ในที่บางแห่งก็จับแมมาแข่มันไม่ใช่นะฮะคือมงคลภายนอกอย่างนั้นไม่ใช่เพีก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของคนภายในนะของคนภายในนั้นมีประการสาคัญมากคือคนในส่วนนั้นของโลก มีอาการวิปิาดแปรปรวนเราลองนึกดูในท้องจีนบางแข่งเช่นในบราซิลวันก่อนเนี่ยในขณะที่อีกเมืองหนึ่งคนอดยากขิวโหยทุกทรมานไปเก็บอาหารตามถังขยะในเมืองหลวงคนสนุกสนานกันเต้นกันเป็น2 0 3สิชั่วโมงสนุกสนานกันนี่คือแสดงว่าความวิปิาดมันเกิดขึ้นฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลสัตว์ก็ตายกันเกลื่อนในส่วนต่างๆของบราซิล น, นั่นเอง บาซินซีกหนึ่งสนุกสนานบาซินซีกหนึ่งกำลังหิวโหยจะตาอยู่บาซินอีกซีกหนึ่งก็กำลังขวนขวายที่จะประทังชีวิตให้รอดแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นหันมาปฏิบัติธรรมะปฏิบัติความดีใช้ความเพียรพยายามคืออาศัยคุณสมบัติของตัวเองนั้นเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดผลไปด็นขวนขวายจะตกต้องตามระดูการอันนี้จะพิสูจน์ได้หรือไม่ พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดูเราจะพบว่าในยามใดที่กิจกรรมอันเป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยยามนั้นความวิปริตต่างๆภายในสังคมจะลดลงและความสงบเย็นจะบังเกิดขึ้นภายในชาติบ้านเมืองเราดันดังการการกระทําของพระเจ้าทานอนชัยก็เป็นการสะท้อนในด้านธรรมะแต่ว่าเอาช้างไปเลยผลุทาก็ไม่ตกเหมือนกัน ก็มองเห็นว่าแท้จริงไม่ใช่อนุภาพของชา้างแต่เป็นอนุภาพของความดีความดีจะต้องคนดีจะต้องไหลมาสู่คนที่กระทำความดีในสุดก็มาขอกรูธรรมไปดังกล่าวแล้วทีนี้การปฏิบัติธรรมะนั้นท่านทั้งหลายจะพบว่ามันเหมือนกับผ้าเสื้อผ้าของเราเนี่ยคือถ้าพวกสีผ้าสีแล้วมันไปเจออะไรนิ ด, นดหน่อยเรามองไม่ค่อยเห็น จ, จิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้ามีกิเลสมีบาปรธรรมอยู่มากนั้นคือจะมองไม่เห็นสิ่งที่พิรุธอยู่ภายในใจเจนว่าความบกพร่องต่างๆความขาดศีลธรรมเป็นต้นเนี่ยจะมองไม่เห็นเราจะลองลองดูถึงความรู้สึกของคนคนบางคนมีคนคนหนึ่งแกพูดหน้าตาเฉย แกบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าต้องการรวยมันก็ต้องโกงถ้าไม่โกงก็ไม่รวยแล้วพูดเอาจริงเอาจังแล้วแกก็ทําจริงอย่างนั้นด้วยแล้วผลท้ายแกจะรวยหรือแกจะสวยก็ไม่รู้คื อ, อยังไม่ได้พบกันแต่ก็ใจว่าน่าจะสวยมากกว่ารวยดังนั้นจิตใจของบุคคลที่มันมืดบอดมันจะมองไม่เห็นเหตุผลว่าเราจะรวยไปทําไมมากมายก่ายกองอ่างนั้นด้วยวิธีขูดรีดเลือดเนื้อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาเพื่ออะไรกัน แล้วเราตายเราเอาไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดแต่ถ้าพอจิตใจมันประนีตขึ้นมันเหมือนกับไอ้จุดดังๆอะไรแตะผ้าขาวนิดๆหน่อยๆเราจะเห็นแล้วว่ามันสกปรกมันแปดเปื้อนเพราะงการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนเราจะรังเกียจบาปสูงขึ้นจะขยะกขยงบาปสูงขึ้นแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆมันเหมือนกับผ้าที่ขาวเนี่ยก็ระมัดระวังไม่ให้แตะต้องกับสิ่งที่แปดเปื้อน พระเจ้าถนนชายก็ดีพระชนนีก็ดีพระมเหสีก็ดีพราหมณ์ปุโรหิตก็ดีพราหมณ์เก็บสวยก็ดีจนถึงยิง้งโสเภณียิง้งโสเภณีที่ท่านรังเกียจนั้นหมายซึกมากเลยนะก็น่านับถือระดับนี้คือท่านรับเงินของชายคนหนึ่งเอาไว้และชายคนนั้นยังไม่มานะยัางไม่มาท่านก็ไม่เกิดไม่มั่นใจ ว่าจะจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองหรือไม่ก็เกิดรังเกียจในศีลขึ้นมานี่ตอนที่ขอไปขอท่านเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้เล่าในจริยานะฮะอย่าลืมว่าในจริยานั้นเป็นการเล่าในส่วนของพระพุทธเจ้าถ้าเ ร, เรื่องนี้จะอยู่ในชาดกอีกทีนึงมันจะไปกระจายอยู่ที่ชาดกกรุธรรมชาดกเพอในในกรุธธรรมชาดกท่านจะบอกละเอียดทั้งหมดว่าว่าทำไมท่านเหล่านั้นจึงรู้สึกรังเกียจ รังเกียจในในศีลของตัวเองเรื่องนิดๆหน่อยๆนะฮะบที่เรื่องนิดๆหน่อยๆจะเกิดความอยากได้ในทรัพย์ของคนอื่นขึ้นมาต่างแต่ไม่ได้รักนะฮะไม่ได้รักไม่ได้อะไรแต่ว่าใจมันมันมันเศร้าหมองไปเพราะเกิดโลภะเข้ามาครอบงำกลัวว่าศีลข้าออธินาฐานจะบกพร่องไปก็เกิดรังเกียจอะไเนี่ยนี่ก็คือความประนีตในด้านจิตใจ และจะขัดเกลาใจของบุคคลไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้รังเกียจบาปแม้เพียงเล็กน้อยจนถึงกับไม่กระทำบาปไปในที่สุดที่จึงมันก็เริ่มจุดมาจากศีลทั้งห้าประการนั่นเองดังนั้นศีลห้าประการจึงเป็นฐานใหญ่เราจะเพราะว่าศีลใหญ่ของพระมันก็หประการเนี่ยอะไรแต่อะไรมันก็5ประการ น, น, ารารนี้มันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆลองลองดูว่าพอหยุดหมดเนี่ยอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ย พุทเจ้าว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษร้ายสัตว์มันมันก็เริ่มที่สํารวมที่ที่ที่กายแล้วก็มีใจมีสัตราวังแล้วมีอาวุธวังแล้วมีเครื่องประหารนวันแล้วคือนอกจากไม่ฆ่าแล้วไออาวุธที่จะระาดประหารก็ไม่ถือด้วยเพราะวศีลของชาวบ้านนะเราจะเห็นว่าถืออาวุธได้เพราะศีลพระนี่ถืออาวุธก็ไม่ได้พระไปจับปืนปรับอบัตนะปราบมีดแหลมก็ปรับอัมบัดต้องอัมบัตงหม ด, ดเลย เพราะมันศีลมันระนีดขึ้นศีลข้อไหนมันจากข้อปานานั้นเองข้อปานานั้นเองพระมีจะได้จะเพราะมีดโกนสมัครโกนผมมีดเล็กๆสมัครตัดอะไรได้นะไปเทีวๆถูพกมีด พ, ก, ดพกปืนไม่ได้ไปถูกก็ไม่ได้ด้วยถูกก็ไม่ได้เพราะเป็นเครื่องประานแต่สมัครชาวบ้านยังได้เฉวสมาพระไม่ได้นี้ก็คือความประณีดในชั้นในชั้นของศีลจุดเดิมนั้นเองอดังนั้นท่านเหล่านี้ท่า น, ท, านทั้ง11ท่านเนี่ย ท่านรักษาของท่านจนปรนียแล้วก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆท่านก็เกิดความรังเกียจ ด, ดังนั้นท่านจึงลงในตอนสุดท้ายของศีลทุกคราวนะฮะท่นตั้งหลายจะพบว่าสีเลนะสุกติยันติสีเลนโะโพกสัมปทาสีเลนะนิปุตติยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลจะได้พวกกสมบัติก็เพราะศีลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นตัดสมาสีหลังวิโสทะเย เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของท่านให้หมดจดหมดจดขนาดไหนมันก็หมดจดไปเรื่อยๆนะฮะมันประนิตขึ้นไปเรื่อยๆตามจนจ น, จนถึงเข้าถึงความสมบูรณ์เป็นการปฏิบัติที่ไม่มีความรังเกียจใจอย่างของท่านทนนนชายก็ดีพระชนนีของท่านก็ดีท่านยังเกียจใจแสดงว่ายังมีคุณธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านี้แต่ว่าท่านยังไม่ได้ทาแล้วท่านก็เกิดความรังเกียจใจในเรื่อ ง, งนั้น นี่ก็คือจิตใจที่ได้รับการขัดเกลาจนประณีตมีความสะอาดขึ้นเห็นรอยบาปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้ น, นกุรุธรรมทั้งห้าประการนี้จึงเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกรักษาโลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมายามใดที่โลกเกิดบอกพร่องในกุรุธรรมปัญหาอาชญาการรมต่างๆจะตอตลอดถึงสงครามระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างค่ายต่อค่ายก็เกิดขึ้น ถึงเรื่องเหล่านี้ก็เป็นไปอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยแลยามใดที่ธรรมะเหล่านี้เสื่อมไปจากโลกคือคนชักจะเขินห่างจากธรรมะมากขึ้นความไม่บระดิษฐ์แปรปรวนในด้านธรรมชาติก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมานี่ก็เป็นหลักที่ท่านเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลและหลักเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติเอาไว้เป็นศีลทั้งหประการอย่างที่ทราบกันแล้ว เพราะฉะนั้นเพื่อผลที่พัยบู์ขึ้นไปทุกครั้งที่มีการให้ศีลจึงจบลงด้วยคำว่าตัสมาศีลังวิโสตเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์นี้ก็เป็นข้อความในกรุธรรมมัจรรยาคือว่าด้วยการปฏิบัติกุรุธรรมได้แก่ศีลห้าประการของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เป็นพระเจ้าธ น, นชัย สำหรับันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี